ก็โดยอาการใส่ใจมองกายโดยความเป็นของสวยของงามถ้าหากเรามองเส่นตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกใส่ใจโดยแยบคายว่าตั้งแต่ศรีษรษะจรดเท้าไม่มีส่วนใดสะอาดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ลำกลกามเสียได้ฉันลองทำตามที่ยุค ป, ปัจจุบันทากันคือหาภาพศพหน้าซีดเอียนมาดูเผอิญฉันเป็นคนไม่มีจินตนาการแรง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 ที่วานกันฆ่าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ามาหาวันครั้งหนึ่งพระองค์แสดงเทศนาธรรมสรรเสริญอสุภะกรรมฐานคือข้อปฏิบัติ ด, ดูกายโดยความเป็นปฏิกูลตลอดจนพรรณนาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภะเป็นตัวตั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็หลีกเล้นอยู่เพียงลำพังประมาณสองอาทิตย์โดยไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดรบกวน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 อยากดูแค่ผิวนอกให้เห็นเป็นของสวยงามก็ได้อยากดูลึกเข้าไปถึงตับไตไส้พุงให้เห็นเป็นของน่าคลื่นเหียนชวนให้อยากอาเจียนก็ได้อีกสองมุมในหนึ่งเดียวแบบเบ็ดเสร็จจริงๆ